ความหลังในสังสารบทที่9ก้าโพชเนชชมตันยุตาเวลาบ่ายสามโมงครึ่งท่านพระครูเพิ่งแนะนำวิธีแก้ปัญหาชีวิตให้กับญาติโยมไปได้สีราย เฉลี่ยรายละ22นาทีกับ30วินาทียังเหลือเวลาอีก2ชั่วโมง30นาทีก็จะได้เวลาไปนำผู้ปฏิบัติธรรมทาวัดเย็นที่หอประชุมและบรรยายธรรมเวลา2ทุ่มครึ่งไปจนถึง4ทุ่มหากมีผู้ซักถามก็อาจจะเลยไปถึง2ยามแต่คงไม่ถึงกับล่วงเข้าวันใหม่เพราะผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องตืนตั้งแต่ตี3ครึ่ง เพื่อทำวัดเช้าเวลาตีสี่หากนอนไม่ถึงสี่ชั่วโมงอาจเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะยังไม่คุ้นเคยท่านเองไม่ได้นอนมาทั้งคืนขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นๆพากันหลับมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าท่านก็คุยกับหลวงพ่อในป่าอาจารย์ของท่านอย่างเพลิดเพลินครั้นนั่งรถจากสนามบินมาวัดท่านก็คุยกับโยมเสงและโยมผ่องไสมาตลอดทาง พอมาถึงวัดงานก็รออยู่เต็มไม่สามารถเจียดเวลามาพักผ่อนได้เลยท่านตั้งใจจะใช้นี่มนุษย์ให้หมดเพราะจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วเจ้าทุกข์รายที่ห้าเป็นสตรีวัยสี่สิบเศษผิวพรรณผุดพองมีน้ำมีนวลแต่หน้าตาเศร้าส้อยเหมือนคนเบื่อโลกหลอนกราบท่านเจ้าของกุฏิแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องที่ทาให้ทุกกายทุกใจว่า ดิฉันเป็นโยมอุปถาของท่านเจ้าคุณพระเทพโจคะหลอนเอยนามพระราชาคณะชั้นเทพรูปหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในทางเทศออกอากาศวิทยุใช่รูปที่มรณะภาพไปเมื่อสองเดือนก่อนหรือเปล่าท่านพระครูถามเท่านั้นเองสาวใหญ่ไวยงามก็ร้องไห้ฟูมฟายรำพึงรำพันว่าใช่โจคาหลวงพ่อดิฉันเป็นต้นเหตุทาให้ท่านต้องมรณะภาพ ดิฉันไม่ได้ตั้งใจดิฉันไม่ทราบและนี่ดิฉันจะตกนรกไหมเจ้าคะที่ทำให้พระมรณะภาพหลอนเล่าไปร้องไห้ไปโยมไปทำยังไงละ่ะไหนเล่าไปสิไม่ต้องร้องไห้โยมเคยฟังเพลงไหมละ่ะที่นักร้องชื่อสารวานณีโพธิเทศเป็นคนร้องนะ่ะเขาร้องว่า แก้ปัญหาใจร้องไห้ทำไมร้องทำไมให้เปลืองน้ำตาจงยิ้มสู่โลกทิ้งความเศร้าโศกเถิดนาอย่าให้เขามาตราหน้าว่าขาดเขาเราหมดหนทาง ท่านพยายามคัดเสียงให้เหมือนเสียงสารวณีโพธิเทศสาวใหญ่ได้ฟังเพลงโปรดก็ยิ้มทั้งน้ำตาชมเปราะว่าหลวงพ่อร้องเพลงเพราะจังเลยเจ้าค่ะไม่เพราะยังไงล่ะก็อาตมาเป็นลิเกเก่าร้รองลิเกก็ได้จะฟังไหมล่ะท่านถามรู้สึกปลื้มที่ทำให้คนร้องไห้กลายเป็นยิ้มทั้งน้าตาได้ หลวงพ่อคะพระร้องเพลงไม่อบัติหรือคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนถามคือสุภาพสตรีทีท่ไม่ค่อยสุภาพเจ้าเก่าแล้วแต่เจตนาใจโยมถ้าเจตนาจะให้อบัติก็อบัติแต่อาตมาเจตนาไม่ให้อบัติก็เลยไม่อาบัติท่านตอบออกแนวเวียดนามคือตอบแบบยน่ยนหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันไม่ชอบลิเกเจ้าคะ่ะ เราะล้าสมัยชอบเพลงไทยสากลมากกว่าหลวงพ่อร้องเพลงไทยสากลได้ไหมเจ้าคะสตรีวัยสี่สิบเศษถามอีกไม่สนใจสุภาพสตรีที่ทักท้วงเรื่องอาบัตได้สิอาตมาชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆ เ, เพลงโปรดของอาตมาในเวลานั้นก็คือเพลงสนต้องลมแต่เพลงนี้มีประวัติที่มา ทำให้อัตมาต้องถูกยายเขีื่นต่อหน้าสมภารญาติโยมอยากรู้ไหมละ่ะถ้าไม่อยากก็จะไม่เล่าท่านแซงเล่นตัวอยากรู้ครับสุภาพบุรุษออกเสียงกันทุกคนรวมทั้งด็อกเตอร์แผนอยากรู้ค่ะ สุภาพสตรีออกเสียงเกือบทุกคนยกเว้นสุภาพสตรีที่ไม่ค่อยจะสุภาพท่านพระครูจึงเล่าวีรกรรมของท่านในสมัยที่ยายให้นำอาหารไปถวายสมภารวัดศรัทธาพิรมและรับพรมาด้วยท่านไปเจอเด็กเลี้ยงควายที่เคยร่วมกันสร้างวีรกรรมมาด้วยกันคนหนึ่งพูดขึ้นว่าเอาไปให้มันกินทำไมเดี๋ยวมันก็สึกเป็นเป็นผัวชาวบ้าน มากินกันเองดีกว่าท่านก็เห็นด้วยเลยตั้งวงกินข้าวกันอย่างอริดอร่อยพอกินเสร็จก็ล้างเป็ีนโตแล้วก็พากันไปเล่นน้ำในหน้องจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันวันที่ถูกยายจับได้อัตมาเดินร้องเพลงสนต้องลมพอถึงบ้านยายก็โผล่หน้ามาถามว่าไอ้โนเจอสมพานไหย อาตมาก็ตอบว่าเจอครับยายถวายเพลแล้วรับพรมาเรียบร้อยยายก็บอกดีมากไอ้หนูดีมากรีบขึ้นมาเลยอาตมาก็เอกใจเอ๊ะทำไมวันนี้ยายทำเสียงแปลกแปลกพอขึ้นมาบนบ้านตายเลยตาเท็นตกกระไดสมพานนั่งอยู่บนบ้าน ยายเคียนต่อหน้าสมภารเลยแล้วสมภารไม่ห้ามหรือเจ้าคะสาใหญ่ถามท่านก็ห้ามเหมือนกันแต่ยายมีเหตุผลดียายบอกว่าหลานคนนี้ทำมาหลายครั้งแล้วเดี๋ยวจะบาปมากจะตายไปเกิดเป็นเปรตเลยต้องตีล้างบาปให้หลานอัตมาก็เลยประทับใจเพลงสนต้องลมมาจนทุกวันนี้ แล้วหลวงพ่ อ, อยังจําเนื้อเพลงได้ไหมเจ้าคะดิฉันอยากฟังผมก็อยากฟังครับโยมดิฉันฉันหนูก็อยากฟังคะ่ะทุกคนนะที่นั้นพร้อมใจกันสนับสนุนไม่มีใครขัดแม้แต่คนที่ห่วงเรื่องอาบัตจะเอาอย่างนั้นหรืออาตมาจําเนื้อได้ไม่หมดจำได้แค่สีบรรทัด สองบรรทัดก็ยังดีเจ้าค่ะที่เหลือดิฉันร้องต่อให้เองสาวใหญ่ขันอาสาท่านพระครูรีบห้ามว่าไม่ต้องโยมไม่ต้องที่นี่เป็นกุฏิพระไม่ใช่เวทีประกวดนักร้องฉะนั้นให้พระร้องรูปเดียวพอท่านอ้างเหตุผลที่ไม่มีร่องรอยอยู่ในคำภีเมื่อจะร้องเพลงสนต้องลมท่าน ทำความตกลงกับผู้ฟังว่าสมัยที่อาตมายังเป็นเด็กอาตมาไม่รู้ว่าคนที่ร้องเพลงนี้ชื่ออะไรแต่ปัจจุบันคนที่ร้องเพลงนี้คือโชมฉายอรุณฉานเพราะฉะนั้นอาตมาก็ต้องร้องเสียงให้เหมือนโชมฉายอรุณฉานนะและท่านก็คัดเสียงให้เหมือนโชมฉายทว่าเหมือนแค่ร้อยละห้าสิเท่านั้น ลมพัดจอยปลิวมาเยือเกเย็นอุราพาให้ชื่นลมเย็นระเรื่นชุ่มเชื่นเรื่นลือไทยดูสอนเป็นแถวทิวแล่ละลิวงามวิไล ต้องลมพัดไกวกิ่งใบไหวอ่อนโยนหลวงพ่อเจ้าคะเสียงแค่เกือบเหมือนคุณชมชายถ้าดิฉันเป็นกรรมการดิฉันให้คะแนนแค่ห้าสิบจากร้อยหลวงพ่ออนุญาตให้ดิฉันร้องไม่ได้เหรอเจ้าคะดิฉันจะร้องให้เหมือนร้อยละ 99.99 เ99เลยสาวใหญ่ อยากร้องจริงๆไม่ได้หอกโยมอาตมาอนุญาตไม่ได้ไม่ได้อิจฉาโยมหรอกนะเพราะถ้าให้เหมือนร้อยเปอร์เซนต์อาตมาก็ทาได้แต่อาตมาไม่ทาขนาดร้องเหมือนแค่ห0สิพวกโยมยังตาลอยเอ็นไปเอ็นมาเหมือนสนต้องลมเลยเขาเรียกว่าฟังอย่างขาดสติทั้งที่อาตมาร้องอย่างมีสติ เห็นสาวใหญ่หายทุกข์แล้วท่านจึงบอกให้หล่อนเล่าเรื่องที่หล่อนเป็นต้นเหตุทำให้ท่านเจ้าคุณชั้นเทพต้องมอรณาภาพหล่อนเปลี่ยนจากร่าเริงมาร้องไห้โฟมไฟอีกหากคราวนี้ไม่ได้ร้องเพราะเสียใจเรื่องที่ทำให้เจ้าคุณต้องมอรณาภาพเท่านั้นแต่เสียใจที่ท่านพระครูไม่อนุญาตให้ร้องเพลงด้วย เจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงได้ประจักษ์แล้วว่ากุศโลบายที่ท่านใช้ไม่ค่อยเวิร์กท่านอุตส่าห์ลงทุนร้องเพลงให้ฟังเพื่อจะให้หล่อนสบายใจขึ้นก็ไหนเห็นหนอบอกว่าหล่อนชอบร้องเพลงแต่เรื่องกลายกลับเป็นว่าหล่อนต้องการจะร้องเพลงแข่งกับท่านเอาละโยมไม่ต้องร้องไห้เสียใจที่อาตมาไม่ยอมให้ร้องเพลงหรอกนะ ช่วยเล่าเรื่องบรณภาพของท่านเจ้าคุณชั้นเทพเลยดีกว่าเพราะยังมีคนรอคิวอยู่อีกหลายคนอาตมาจะหยุดรับแขกเวลา17บนาฬิกาห้าสิบห้านาทีเวลา18นาฬิกาอาตมาต้องไปนำญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมทาวัดเย็นเมื่อใช้ลูกหย่ไม่ได้ท่านต้องใช้กอบไผ่ทำไมไม่หยุด18นาฬิกาตรงล่ะคะ แสดงว่าหลวงพ่อคอรับชั่นเวลาทำงานไปห้านาทีคราวนี้ต้องเรียกว่าอาสุภาพสตรีเป็นคนพูดท่านพระครูกาหนดสงสารหนอในใจสามครั้งรู้สึกสงสารอาสุภาพสตรีคนนี้เหลือเกินอยากด่าให้เจ็บไปถึงกระดองใจเลยเชียวน้อยแน่รู้จักเราน้อยไปถ้าไม่ได้มาบวชในพระาศาสนาป่านนี้เป็นแชมป์ด่าไปแล้ว แต่ไม่เป็นไรโยมคนนี้เขาเป็นเวนยนิกกรแต่ตอนนี้ยังสอนไม่ได้ก็ตัดหางปล่อยวัดไปก่อนส่วนญาติโยมที่นั่งอยู่ณที่นี้มีกว่าครึ่งที่เป็นเวนยนิกกรและสอนได้เดี๋ยวนี้และจงพูดขึ้นโดยไม่มองหน้าอสุภาพสตรีผู้นั้นว่าญาติโยมทั้งหลายมีลูกต้องสอนลูกมีหลานต้องสอนหลาน เราเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาต้องอบรมลูกหลานให้มีมารยาทชาติผู้ดีอย่าให้ลูกหลานเกเกเมเรเกเรหรือไปทําความรําคาญให้ผู้อื่นไม่เช่นนั้นลูกหลานของท่านจะถูกเขาด่าเอาเจ็บเจแล้วก็อาจจะเจ็บมาถึงท่านด้วยอาตมาจะเล่าเรื่องอาจารย์วิทยาลัยครูให้ฟังเป็นอาจารย์ผู้หญิง เขาพานักเรียนชั้นปีที่หนึ่งมาอบรมที่วัดนี้เมื่อสองปีที่แล้วมาจากกรุงเทพเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นอัจฉริยะในทางด่าถ้านักศึกษาคนไหนถูกเขาด่าจะต้องร้องไห้ทุกรายอัตมาบอกไม่เชื่อต้องสาธิตให้ดูก่อนเขาก่อสาธิตการด่าให้อัตมาดูท่านหยุดเล่าเผื่อว่าจะมีคนถาม อสุภาพสตรีผู้นั้นไม่กล้าถามพอจะรู้รู้ว่าท่านต้องการด่าดตนจึงคิดว่าต่อไปจะต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่านี้มิฉะนั้นท่านอาจจะไม่ยอมรับเป็นลูกศิษย์เมื่อไม่มีผู้ใดถามท่านจึงเล่าต่อเขาก็ด่านักศึกษาที่พามาซึ่งเป็นนักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่มีใครรู้กิติศัพท์ในเรื่องนี้ของเขา อาตมาก็จะสาธิตให้ดูแต่ไม่ต้องยืนอย่างเขาหรอกนะนั่งบนอาสนะนี่แหละแล้วท่านก็ชี้หน้าด็อกเตอร์แผนโดยเรียนแบบอาจารย์คนนั้นนิเธอเธอเคยถูกใครด่าแสบเข้าไปถึงซวงจนต้องร้องไห้ไหมด็อกเตอร์แผนยิ้มรับหากไม่ได้ตอบตอบสิตอบไม่เคยครับท่านบอกบทไม่เคยครับ ดรแผนตอบยิ้มยิ้ ม, ยมอย่ายิ้มสิเดี๋ยวจะไม่ครั้งอาจารย์เขาบอกใครถูกเขาด่าต้องร้องไห้ทุกคนเล่นละครหน่อยสิท่านบอกบุรุษวัย45ที่หน้าเหมือนพระเอกหนังอินเดียทำยากจังครับหลวงพ่อดอรแผนบ่นเ ก, กลายแล้วพยายามตีหน้าเศร้าหากก็ยังมีรอยยิ้มเปื้อนหน้าอยู่ ท่านพระครูจึงเล่นบทอาจารย์คนนั้นต่อไม่เคยหรือไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะด่าให้ร้องไห้ทั้งชั้นเลยท่านชี้ไปทางญาติโยมที่นั่งอยู่ทุกคนอมยิ้มไม่มีทีท่าว่าจะร้องไห้สักคนเดียวคราวนี้ท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดนอกบทที่อาจารย์คนนั้นไม่ได้พูดเถอะทำยิ้มไปเถอะเดี๋ยวจะด่าให้ร้องไห้เลย เตรียมหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาได้จะได้เอาไว้เช็ดน้ำตามีสตรีสองคนและบุรุษหนึ่งคนทำตามท่านพระครูไม่รู้ว่าคนทั้งสามตั้งใจล้อเลียนท่านหรือว่าเตรียมไว้เช็ดน้ำตากันแน่จากนั้นท่านก็พูดในบทว่าพวกเธอทำตัวใหดีนะถ้าทำตัวเลวเดี๋ยวคนเขาจะด่าไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเธอว่า ไม่รู้จัก้อนลูก้อนหลานครูมีวิธีด่าอยู่สี่สเต็ปจากเจ็บน้อยไปหาเจ็บมากถ้าใครถูกด่าถึงสเต็ปที่สี่แล้วยังไม่ร้องไห้แสดงว่าคนนั้นหน้าด้านหน้าทนสุดๆผู้ที่ฟังอยู่พากันคิดในใจว่าสงสัยจะต้องแกล้งร้องไห้ไม่เช่นนั้นจะถูกกล่าวหาว่าหน้าด้านหน้าทนสุดๆแล้ว เขาก็ทำการสาธิตสเต็ปที่หนึ่งท่านชี้หน้าบุรุษผู้หนึ่งกล่าวคําขอโทษว่าขออภยัยขอยืมเป็นหุ่นหน่อยอย่าถือสาอาตมานะแล้วด่าบุรุษนั้นว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเธอไม่สั่งสอนในวงเล็บพ่อแม่ปู่ย่าตายายายังอยู่แต่ไม่สอนลูกสอนหลานบุรุษนั้นยิ้มรับอ้าว ยิ้มหรือไม่เป็นไรทีนี้ก็ต้องต่อสเต็ปที่สองแล้วชี้หน้าสุภาพสตรีซึ่งยิ้มนิดๆอยู่ในหน้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเธอไม่สั่งสอนในวงเล็บพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปแล้วเลยไม่ได้สั่งสอนอสุภาพสตรีเปลี่ยนเป็นหน้าเบึ้งตึงพูดเสียงแข็งๆว่าหลวงพ่อเรื่องอะไรมาแช่งบุพการีของฉัน พ่อแม่ปู่ย่าตายายของฉันยังอยู่ครบอสุภาพสตรีพูดโกรธโกรธท่านพระครูจึงรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกว่านอกจากหล่อนจำเก่งและจับผิดเก่งแล้วยังโกรธเก่งอีกด้วยแต่ไม่เป็นไรมันเป็นวาสนาคือความเคยชินที่ติดตัวหล่อนมาหลายพบหลายชาติชาตินี้หล่อนได้มารู้จักท่าน นับเป็นโอกาสอันดีที่หล่อนจะได้ปรับเปลี่ยนนิสัยให้ดีขึ้นถึงอย่างไรหล่อนก็จักอยู่ในประเภทเวนายนิกรคือพวกที่ควรแก่การแนะนำสั่งสอนได้ด็อเตอร์แผนอดรนทนไม่ได้ที่สตรีนั่นมาเกลี้ยกล่อดใส่พระอาจารย์ที่เคารพของตนจึงบอกหล่อนว่า หลวงพ่อท่านไม่ได้ว่าคุณหรอกครับก็ท่านตกลงกับพวกเราแล้วว่าขอให้พวกเราช่วยเป็นหุนหลวงพ่อครับถ้าคนอื่นมีปัญหาหลวงพ่อชี้มาที่ผมคนเดียวก็ได้ครับปรากฏว่าญาติโยมนัดที่นั้นพูดขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าผมไม่มีปัญหาครับโยมดิฉันฉันหนูก็ไม่มีปัญหาค่ะ ฉันก็ไม่มีปัญหาค่ะอสุภาพสตรีผู้ปรับเปลี่ยนตนเองมาเป็นสุภาพสตรีอย่างรวดเร็วพูดขึ้นหลังจากคนอื่นๆพูดจบหรือว่าหล่อนจะรู้ว่าท่านพระครูจัดหล่อนไว้ในกลุ่มเวนายนิกกรเอาละ่ะขอบใจทุกท่านทุกคนทีนี้ก็มาถึงสเต็ปที่สามท่านชี้ที่ด็อเตอร์แผนจะได้หมดปัญหา พ่อแม่ปู่ย่าตายายเธอสอนแต่เธอไม่เชื่อฟังและสุดท้ายสเตปที่สี่เธอเลวเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเธอท่านกวาดสายตาดูทุกคนเผื่อว่าจะมีใครร้องไห้ทว่าสิ่งที่ท่านพบคือทุกคนยิ้มแฉ่งบ้างยิ้มนิดนิดบ้างอมยิ้มบ้างจะหาใครร้องไห้หรือน้าตาคลอไม่มีเลยสักคน ท่านจิงทวงอ้าวทำไมไม่มีใครร้องไห้ล่ะนี่อาตมาทวงแล้วนะร้องไห้สิท่านชี้ไปที่บุรุษรูปหล่อน้อยกว่าดอกเตอร์แผนนิดหนึ่งร้องไม่ออกครับหลวงพ่อมันฝืนความรู้สึกเหมือนดูหนังตลกแล้วฝืนร้องไห้ทำไม่ได้จริงๆรครับเขาประนมมือพูดหลวงพ่อแพ้แล้วคะ่ะ หญิงสาวที่นั่งอยู่ด้านซ้ายมือของท่านพูดยิ้มยิ้มใครว่าอาตมาแพ้อาจารย์คนนั้นต่างหากที่แพ้ท่านหมายถึงอาจารย์หญิงที่พานักศึกษามาปฏิบัติธรรมแล้วนักศึกษามีใครร้องไห้บ้างไหมคะหญิงสาวคนเดิมถามอีกไม่มีสักคนเดียวตรงข้ามพากันหัวเราะลั่นหอประชุมเลย หลังจากสาธิตวิธีด่าซึ่งมีทั้งหมดสี่สเตปด้วยกันทว่าไม่เวิร์กแม้แต่สเต็ปเดียวแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาจะอาวาดวัดป่ามะม่วงจึงพูดกับสาวใหญ่วัยงามว่าเอาละ่ะนี่เป็นกุศโลบายคลายทุกข์ให้กับโยมอาตมาจะขออนุญาตเล่าเรื่องของโยมก็แล้วกันจะได้ประหยัดเวลาท่านไม่ต้องพึ่งเห็นหนอก็รู้เรื่องทั้งหมด ด้วยว่ามีโยมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังเมื่อเดือนที่แล้วและท่านก็แอบอัดเทปไว้ในจิตเรื่องของโยมก็คือโยมรู้ว่าท่านจะคุณชอบฉันทุเรียนแต่ไม่รู้ว่าท่านเป็นโรคหัวใจวันหนึ่งโยมซื้อทุเรียนนอกฤดูไปถวายท่านเป็นทุเรียนการยาวจากสวนเมืองนนราคาลูกละพันบาทโยมต่อแปดร้เขาไม่ให้ก็ต่อ900ร้ย แล้วก็ขึ้นมา9ก้า้คนขายก็ไม่ยอมลดให้ในที่สุดโยมขึ้นราคาให้เป็น999บาทเพราะคิดว่าประหยัดไปหนึ่งบาทก็ยังดีเพราะโยมเป็นคนมัธยสัสุดๆท่านหลีเกเลี่ยงมาใช้มัธยัดแทนขี้เหนียวเพราะไม่อยากเห็นหล่อนร้องไห้อีกแล้วจึงเล่าต่อแต่เจ้าของเขาก็ยังยืนยันว่า หนึ่งพันบาทขาดตัวโยมก็ซื้อไปความที่เสียดายเงินจึงขยันขยอให้ท่านฉันให้หมดเพราะซื้อมาแพงท่านอิ่มแล้วก็ขยันขยออีกว่าอีกหน่อยนะเจ้าคะฉันอีกหน่อยจนหมดแล้วเจ้าค่ะท่านหยุดเล่าและถามหล่อนซึ่งเริ่มจะมีน้ำตาคลอหน่วยตาทั้งสองข้างจริงไหมอาตมาพูดมาเนี่ยถูกรึเปล่าจริงและถูกเจ้าค่ะ หลอนตอบได้ครบถ้วนและแล้วน้ำตาคลอก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำตาตกตกแบบน้ำตกนั่นเลยอ้าวอย่าร้องไห้สิถ้าร้องไห้เดี๋ยวไม่ได้บุญนะท่านจําเป็นต้องใช้กูสโลบายญาติโยมที่มาหาท่านในแต่ละวันมีทั้งคล้ายคลึงกันและผิดแผกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากท่านไม่ได้อบรมกายอบรมจิตมาอย่างพอเพียงตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านคงหนักใจไม่น้อยเพราะมนุษย์แต่ละคนก็แต่ละแบบจะหาที่เหมือนกันทุกอย่างนั้นหาไม่ได้เลยแม้ฝาแฝดที่ออกมาจากท้องเดียวกันในเวลาห่างกัน20นาทีบ้าง30นาทีบ้างหรือมากกว่านั้นบ้างหน้าตาเหมือนกันจนคนเป็นแม่เอง ก็จำผิดจำถูกว่าคนไหนพี่คนไหนน้องแต่นิสัยจะไม่เหมือนกันลายมือก็ไม่เหมือนกันเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะคิดหากุศโลบายที่เหมาะสมกับแต่ละคนแต่ละแบบเพื่อจะช่วยแนะนำพวกเขาให้แก้ปัญหาได้ถูกจุดกินละมุดจะได้ไม่ถูกเม็ดส่วนคนที่ไปหาหมอดู หรือไปหาพระให้ช่วยรดน้ำมนต์ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเขาเพราะในความเป็นจริงแล้วการทําเช่นนั้นนอกจากแก้ปัญหาไม่ได้แล้วยังทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทําเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องยุ่งก็เลยอินงตรงนางสับสนโอลแมนไปกันใหญ่ในที่สุดก็หนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายบ้างเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาบ้าง สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละหนอดิฉันทำให้พระมรณภาพและยังมีโอกาสได้บุญอีกหรือเจ้าคะลลอนสงสยัยอดคิดไม่ได้ว่าเรามาผิดวัดเสียแล้วกระมังหนอท่านพระครูรีบบอกว่าไม่ผิดหรอกโยมโยมมาถูกวัดแล้ว อย่างน้อยๆโยมจะได้ไม่ต้องถูกอาตมาหลอกและที่อาตมาว่าได้บุญนั้นอาตมาไม่ได้พูดเองเป็นคําทรงสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสอนว่าทักคินาคือของทำบุญที่เป็นบุญยิ่งใหญ่มีผลมากยากจะประมาณได้ต้องเป็นทักคินาที่พร้อมด้วยองค์หกคือฝ่ายทายกสาฝ่ายปฏิคาหกสาม ทายกคือผู้ให้เช่นโยมถวายทุเรียนแด่พระภิกษุด้วยองค์สามคือก่อนถวายก็ดีใจหนึ่งกำลังถวายอยู่ก็ทำจิตใจผุดผ่องเลื่อมสายหนึ่งครั้นถวายแล้วก็ชื่นชมปลื้มใจหนึ่งเป็นอย่างที่อาตมาพูดมาไหมเป็นเจ้าค่ะแต่หลังจากนั้นประมาณสองชั่วโมงท่านก็มรณาภาพบุญก็จะเปลี่ยนเป็นบาปไหมเจ้าค่ะ หลนรู้สึกสบายใจขึ้นหากก็ยังกังขาเดี๋ยวก่อนสิอาตมายังว่าไม่ครบองค์6เพิ่งได้สามคือฝ่ายทายกทีนี้ฝ่ายปฏิคา6 ก, ก็มี3มเช่นกันปฏิคา6คือผู้รับซึ่งในที่นี้คือท่านเจคุณองค์3ของฝ่ายปฏิคา6คือเป็นผู้ประสจาราคะหรือปฏิบัติเพื่อบำราราคะหนึ่ง เป็นผู้ประจักโทสะหรือปฏิบัติเพื่อบำราดโทสะหนึ่งเป็นผู้ประจักโมหะหรือปฏิบัติเพื่อบำราดโมหะหนึ่งแต่ที่นี้ถ้าโยมไม่รู้ว่าท่านจะคุณครบองค์สามหรือไม่ก็ไม่ต้องไปสนใจโยมครบโยมก็ได้บุญในส่วนของโยมแล้วเมื่อได้ฟังท่านพระครูพูดสาวใหญ่ค่อยสบายใจขึ้นและที่สาคัญคือ ท่านไม่ได้พูดเองหากเป็นคำส่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งดีๆอย่างนี้หล่อนไม่เคยได้ฟังจากท่านเจ้าคุณเลยในช่วงเวลากว่าสิบปีที่เป็นลูกศิษย์ของท่านหล่อนคิดว่าเรามาถูกวัดแล้วหลวงพ่อท่านเก่งจริงๆแสดงว่าเราไม่ผิดและไม่บาปที่นําทุเรียนไปถวายและขยันขยอให้ท่านฉันให้หมด แต่ท่านก็เกิดเป็นลมฟุบคาสำรับอาหารแถมชั้นทุเรียนก็ไม่หมดยังเหลือตั้งสองโพครั้นเราพาส่งโรงพยาบาลท่านก็ไปมรณาภาพที่โรงพยาบาลซี่อีกจะอดทนสักนิดก็ไม่ได้เป็นอันว่าเป็นความผิดของท่านไม่ใช่ความผิดของเราสาวใหญ่คิดเข้าข้างตัวเองและยิ่งยินดีมากขึ้น เมื่อท่านพระครูยอมรับความคิดของหล่อนเพราะท่านพูดว่าถูกของโยมเป็นความผิดของท่านเจ้าคุณเองเพราะท่านไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทั้งที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอยู่ก็ยังเชื่อโยมและพยายามฉันให้หมดเป็นพระไปเชื่อโยมได้หรือญาติโยมจำไว้นะว่าพระต้องมีอปนหะกะปฏิปทา ซึ่งหมายถึงข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดหรือทางดำเนินที่ไม่ผิดมีสามคืออินสียสังวรหนึ่งโพชเนมัตตัญยุตาหนึ่งชาคิริยานุโยกหนึ่งดอกเตอร์ช่วยอธิบายรายละเอียดแต่ละข้อด้วยอย่าให้เสียชื่อรเรียนธรรมเจ็ดประโยคนะขอบพระคุณครับที่หลวงพ่อเมตตาให้โอกาสผม ด็อกเตอร์แผนพนมมือไหว้ท่านเจ้าของกุฏิแล้วจึงอธิบายอปนหหะปฏิปทาสามดังนี้อินรียสังวรหมายถึงสำรวมอินรีหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องพดถับพักรู้ธรรมร่มด้วยใจ ระวังไม่ให้กิเลสครอบงำใจในเวลารับรู้อารมณ์ทางอินทรีย์ทั้งหกโภชเนมัตันยุตตาหมายถึงความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารหรือรู้จักประมาณในการกินคือกินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ผาสุกมิใช่เพื่อสนุกสนานมัวเมาและสุดท้ายชาคาริยานุโยก หมายถึงการประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่คือความเพียรพยายามปฏิบัติธรรมไม่เห็นแก่นอนตื่นตัวอยู่เป็นนิดชำระจิตไม่ให้มีนิวรคนฟังนั่งเงียบกริบไม่มีเสียงคุยหรือแม้แต่เสียงกระแอมไอท่านพระครูเห็นพวกเขาดูเรียบร้อยจึงชมว่า ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจฟังโดยไม่พูดไม่คุยกันเลยต้องแบบนี้สิถึงจะเป็นลูกศิษย์วัดป่ามะม่วงญาติโยมพากันทาหน้าปูเรียนปูเรียนเหมือนไม่ยินดียินร้ายกับคำชมท่านเจ้าของกุฏิเห็นผิดสังเกตจึงกำหนดรู้หนอก็ได้รู้ว่าทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้ ไม่มีสักคนเดียวที่เข้าใจในสิ่งที่ด็อเตอร์แผนบรรยายท่านอยากรู้ว่าด็อเตอร์แผนจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเรื่องที่เขาบรรยายมานั้นหาคนฟังรู้เรื่องไม่ได้สักคนเดียวจึงพูดกับเขาว่าผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับผมบรรยายตามคำพีแต่เรื่องนี้ผู้ปฏิบัติทำเท่านั้นถึงจะเข้าใจผมจึงกราบเรียนหลวงพ่อว่าจะมาเข้ากรรมฐาน จะได้เข้าใจทั้งปริยัติและปฏิบัติพวกท่านมาเข้ากรรมาฐานกับผมนะครับแล้วเราจะเข้าใจไปพร้อมๆกันที่ผมพูดมานี้ท่านเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับเข้าใจค่ะเสียงตอบรับดังพร้อมเปรียงกันอีกครั้งท่านพระครูพอใจในวิธีการแก้ปัญหาของด็อเตอร์วัยสท่านคิดเปรียบเทียบว่ากรุงศรีอยุธยายังไม่สิ้นคนดี เพราะมีดรแผนหากก็ยังไม่รู้ว่าที่เปรียบเทียบมานี้ตรงประเด็นหรือเปล่าเจ้าทุกรายที่6เป็นบุรุษวัยเดียวกับดรแผนเรื่องราวของเขาคล้ายกับเรื่องของดรแผนแต่สิ่งที่แตกต่างคือความหล่อขนาดที่ดรแผนหน้าตาเหมือนพระเอกหนังอินเดียแต่ตัวเขาบอกไม่ถูกว่าหน้าตาตัวเองเหมือนอะไร ตั้งแต่เกิดมายัางไม่เคยมีใครชมว่าหล่อสักคนเขาเคยโกรธเตี๋ยกับแม่ที่เป็นผู้ให้กำเนิดแต่ไม่ได้ให้ใบหน้าหล่อเลาตอนเข้าเกิดและเพราะไม่หลอ่อเขาจึงหาภรรยาไม่ได้ผู้หญิงสมัยนี้ชอบตั้งความหวังไว้สูงเขาจึงไม่คิดมีเมียเมื่อไม่มีเมียก็ต้องบวชแล้วก็ได้บวชที่วัดใหญ่ไม่ไกลจากตัวเมือง บวชแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมสองปีผ่านไปเขายอมรับว่าหน้าตาเขาดูหล่อขึ้นจึงหายโกรธเตี่ยกับแม่ที่ให้กำเนิดลูกชายหน้าตาหล่อไม่เสร็จมาโยมมีอะไรก็ว่าไปไม่ต้องเสียใจนะถึงหล่อไม่เสร็จก็ยังหลอ่ออาตมามองเห็นความหล่อในตัวโยมท่านพระครูเกริ่นไว้ก่อน เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องใช้เวลาอารัมพบทให้ยืดยาวเกินไปบุรุษนั้นดีใจที่สุดที่ท่านพระครูชมว่าหลอ่อหลวงพ่อครับเรื่องของผมคล้ายๆกับเรื่องด็กเตอร์แผนทว่าคนที่จะเก็บผมไม่ใช่เจ้าอาวาสแต่เป็นหลานชายเจ้าอาวาสผมรอดตายมาได้อย่างวุดวิดคงเป็นด้วยอานิสงส์แห่งการบวชนี่เองแล้วจึงเล่าให้เจ้าของกุติ และญาติโยมในที่นั้นฟังว่าผมรู้ว่าตัวเองไม่หล่อจึงบอกเตี่ยกับแม่ว่าจะบวชตลอดชีวิตจะไม่ขอมีลูกมีเมียเตี่ยกับแม่ก็พาไปบวชที่วัดแห่งหนึง่งเจ้าอาวาสเป็นพระที่มีชื่อเสียงในทางเทศสอนในวัดมีพระประมาณร้อยรูปเพราะเป็นวัดใหญ่แล้วก็คนศรัทธาเจ้าอาวาสในบรรดาพระร้อยรูป มีอยู่รูปหนึ่งเป็นหลานชายเจ้าอาวาสคือเป็นลูกของน้องชายท่านพระรูปนี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นเสนียดในศาสนาเพราะเขาชั่วช้าสารเลวที่สุดเขาตั้งใจจะเป็นเจ้าอาวาสแทนหลวงลุงเพราะวัดมีกิจการดีมากขึ้นวันวันมีคนเอาศพมาเผาหลายศพถ้าจะเรียกให้หน้าเกลียดคือพระหากินกับผี ผมต้องกราบขออภัยหลวงพ่อด้วยนะครับที่พูดอย่างนี้เขาประนมมือไหว้ท่านเจ้าของกุฏิแล้วจึงเล่าต่อผมรู้จากพระในวัดถึงนิสัยชั่วช้าอันตพานของเขาผมก็พยายามไม่เสวนาด้วยคือไม่แสดงตัวเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาใช้ผมทำอะไรผมก็ทำเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องเงินทั้งหมด ไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวเลยแม้แต่เจ้าอาวาสวันหนึ่งเขาบอกว่ามีคนขโมยเงินในตู้บริจาคไปและสั่งพระในวัดให้ช่วยกันจับขโมยมาให้ได้ไม่เช่นนั้นทุกรูปจะต้องช่วยกันรับผิดชอบเงินที่หายไปปรากฏว่ามีรูปหนึ่งบอกเขาว่าต้องเป็นพระกอที่ขโมยไปพระรูปนั้นชื่อกอเหรือคะสตรีคนที่ช่างถาม ถามขึ้นไม่ใช่หรอกครับผมสมมติชื่อให้ท่านผมเล่าต่อนะครับพระที่เป็นหลานชายเจ้าอาวาสก็บอกให้นําเงินที่ขโมยไปมาคืนพระกอก็บอกว่าท่านไม่ได้ขโมยไปผมก็ไม่ทราบจริงๆว่าใครขโมยไปแต่ตอนหลังคิดว่าพวกพระที่เป็นสมุนของเขานั่นแหละเอาไป แล้วโยนความผิดไปให้ผู้อื่นพระกอท่านก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้เอาไปเขาก็บอกว่าให้รับมาว่าเอาไปแล้วให้นำมาคืนจะไม่เอาโทษหรือถ้าใช้ไปหมดแล้วก็ต้องหามาคืนให้ได้พระกอท่านบอกไม่ได้เอาไปและยังอ้างพระวินัยว่าพระที่ขโมยเงินนั้นไปจะต้องอาบัติประราชิก ขาดความเป็นพระภิกษุพวกพระที่เป็นสมุนโกรธมากมีรูปหนึ่งเดินไปหยิบไม้คมแฝกมาส่งให้พระหลานชายเจ้าอาวาสแล้วยุว่าให้ตีจนกว่าจะยอมรับจากนั้นพวกโจรในชุดกาสาวะพัทก็ช่วยกันจับพระกอไว้ไม่ให้หนีพระหลานชายเจ้าอาวาสก็ตีท่านท่านก็ขอร้องว่าอย่าทำผมเลยผมไม่ไดเอาไปจริง พวกสมุนของเขาบอกไม่ให้เชื่อและยุให้เขาตีจนท่านมรณนะภาพใจคอพวกเขาโหดเยี่ยมมากภาพที่พระตีพระด้วยกันจนมรณนะภาพคามือไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธส่วนพระที่ไม่ใช่พักพวกของเขาก็พากันแอบดูไม่มีใครไปช่วยเหลือไปห้ามเพราะต่างก็รักชีวิตของตน รวมทั้งผมด้วยบุรุษวัยเดียวกับด็อเตอร์แผนเล่าด้วยหน้าตาที่หาความหล่อไม่ได้ซ้ำร้ายยังถูกฉาบไว้ด้วยภาพแห่งความหวาดกลัวอีกโสดหนึ่งด้วยทำไมไม่มีใครไปเรียนจเจ้าอาวาสล่ะครับด็อเตอร์แผนถามบุรุษนั้น เจ้าอาวาดไม่อยู่ครับไปเยี่ยมญาติโยมที่จังหวัดบ้านเกิดของท่านจังหวัดอะไรคะสาวใหญ่ไวยงามถามผมขออนุญาตไม่บอกนะครับเพราะถ้าบอกอาจมีนักข่าวไปสืบสาวราวเรื่องและท่านเจ้าอวาดก็จะเดือดร้อนที่เลี้ยงโจรไว้ในวัดมิหนำซ้ำําเป็นหลานชายของท่านแต่ผมก็เชื่อว่าท่านคงคิดไม่ถึงว่าหลานจะเป็นอย่างนี้ ถึงหลานชายท่านเมื่อแรกมาบวชก็คงไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นหัวหน้าโจรแต่คงเป็นเพราะลาบสักการะที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปบุรุษนั่นสันนิษฐานแล้วจึงเล่าต่อพอตีพระก่อจนมรณภาพแล้วพวกสมุนก็เอาโลมาใส่ศพท่านยกมาซ่อนไว้หลังโบสถ์พอดึกๆ ก, ก็ช่วยกันหามไปเผาที่เมรนเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดมาก และผมก็ไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเรื่องอย่างนี้จะมาถึงตัวผมผมขอเล่าสั้นๆนะครับเขาบอกเมื่อรู้สึกตัวว่าชักจะลงรายละเอียดมากไปคืนหนึ่งผมบังเอิญปวดหนักก็จะเดินไปห้องสุ ข, ขาซึ่งต้องผ่านห้อ ง, องเขาตอนนั้นเวลาสองยามโดยประมาณผมได้ยินเสียงผู้หญิงก็ตกใจว่า ทำไมผู้หญิงมาอยู่ในห้องเขาดึกดึกเดนเค้เขาได้ยินเสียงเดินก็เปิดประตูออกมานุ่งสบงตัวเดียวท่าทางเหน็ดเหนื่อยเหมือนคนออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆเขาก็ถามว่าเดินมาทำไมแถวนี้ผมก็บอกว่าปวดหนักจะไปห้องสุขา้าเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็เดินกลับเข้าห้องไปผมใจคอไม่ดีกลัวเขาจะฆ่าปิดปาก ขอประทานโทษผมกลัวจนขี้หดตดหายรีบกลับเข้าห้องมานอนสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงกุกกักดังอยู่หน้าห้องผมก็ไม่กล้าเปิดประตูออกไปดูได้แต่นอนตัวแข็งอยู่เพราะความกลัวและหลวงพ่อทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เขาร้องไห้น้ำตาลูกผู้ชายไหลรินลงมาอาบแก้มท่านพระครูจึงพูดให้กาลังใจว่า ตั้งสติให้ดีลูกผู้ชายไม่ต้องร้องไห้โยมเคยบวชเรียนมาแล้วต้องเอาความรู้มาใช้ให้ได้บุรุษนั้นจึงควักผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดน้ำตาและน้ำมูกจากนั้นจึงเล่าต่อปกติผมจะตื่นตีสี่ไปเข้าห้องสุขาและสงน้าจากนั้นจึงกลับมาสวดมนต์ทำวัดในห้องผมพระวัดนี้ไม่ทำวัดด้วยกัน ต่างคนต่างทำเมื่อเปิดประตูผมก็ต้องเปิดไฟซึ่งสวิตอยู่หน้าห้องผมความที่คืนนั้นผมกลัวจนนอนไม่หลับไปหลับเอาประมาณตีสี่เลยตื่นตอนหกโมงเช้าซึ่งมีแสงสว่างสลัวสลวพอผมเอื้อมมือจะไปเปิดสวิตก็ตกใจรีบชักมือกลับแทบไม่ทันเพราะสวิตไม่มีฝาครอบเปลือยเปล่าอยู่ถ้าผมเอื้อมมือไปจับ ก็จะถูกไฟโดดตายอยู่ตรงนั้นความกลัวผมรีบเข้าห้องล็อกประตูกลัวเขาจะมาทำร้ายจิตใจเขาเยี่ยมโหดมากคงคิดจะเอาชีวิตผมแลกกับความลับที่ชั่วช้าของเขาบุรุษนั้นพูดด้วยความแค้นแล้วจึงเล่าต่อผมอยู่ในห้องได้สักชั่วโมงกว่าๆ ก, ก็มีเพื่อนมาเคาะประตูถามว่าทำไมไม่ไปบินทบาทผมจึงเปิดประตูออกไป และถามว่าหลานจเจ้าอาวาสอยู่ในห้องหรือเปล่าท่านตอบว่าประตูห้องถูกใส่กุญแจแสดงว่ายังไม่กลับจากบินทบาทผมจึงเล่าเรื่องให้เขาฟังพร้อม พ, อมพาไปดูสวิตเปลือยเพื่อนตกใจบอกกลับบ้านเถอะขืนอยู่ที่นี่ไม่รอดชีวิตแน่ผมจึงเก็บสัมภาระที่จําเป็นแล้วออกไปเรียกแท็กซี่บอกให้ไปส่งบ้านเตียกับแม่ดีใจที่ผมจะศึก มันน่ากลัวมากเลยครับหลวงพ่อไม่น่าเชื่อว่าวัดที่มีชื่อเสียงจะเอาว่าที่เทศเก่งคนรู้จักทั้งประเทศแต่ภายในวัดเป็นที่ซ่องสูงของพระที่เป็นฆาตกรและนักเลงอันธพาลผมจะมากราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อว่าผมควรจะไปแจ้งความดีหรือไม่ดีครับผมตัดสินใจไม่ถูก ที่ต้องการแจ้งความเพราะกลัวเขาจะตามมาฆ่าแต่ก็กลัวจะเสียชื่อวัดและเสียชื่อเจ้าอาวาสผมควรจะเลือกแบบไหนดีครับเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่ อ, อไรท่านพระครูถามเมื่อสามวันก่อนครับเพิ่งศึกได้สามวันอย่างนั้นใช่ไหมครับหลวงพ่อทำไมสามวันผมยาวเร็วนักละ่ะท่านพระครูถามยิ้มยิ้ม ทั้งที่รู้ว่าเขาสวมวิกผมสวมวิกครับไม่อยากให้คนอื่นเห็นผมต้องสมเพศว่าแต่คนนี้หลอก็ไม่หลอกแถมหัวล้านอีกเขาตอบไอ้ายๆท่านพระครูจึงแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้เขาว่าเอาละในไหนโยมก็บวชมาตั้งสองพันสาแล้วอัตมาจะอัญเชิญพระพุทธว จ, จะนะมากราวให้โยมฟัง แล้วยมจะได้ไปคิดพิจารณาเองส่วนเรื่องแจ้งความนั้นมันต้องมีพยานหลักฐานแล้วยมคิดรู้ว่าพระในวัดนั้นมีรูปใดจะยอมมาเป็นสักขีพยานพระท่านก็อยู่ได้กันด้วยความหวาดกลัวเอาละพระพุทธวจนะที่อาตมาอัญเชิญมาคือณิเวเรณเวราณิสำมันติทะปุธาจนนัง อเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรรมโมสันันโนด็อเตอร์ช่วยแปลให้ญาติโยมฟังและบอกที่มาด้วยท่านสั่งด็อเตอร์แผนบุรุษวัย45จึงแปลด้วยเสียงที่ทุกคนได้ยินชัดเจนว่าในการไหนไหนมาเวรระ ง, งับด้วยเวรไม่เคยมีแต่ย่อมระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวร ธรรมนี้เป็นของเก่าอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่25ข้อ11อหน้าที่ส5ครับ